มันหีไม่พ้นเรื่องของกายกับเรื่องของจิตก็อเอาจิตเนี่ยไปรู้กายซะในอิเลียบท่างๆเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วกายที่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันทาให้จิตมันซงบไม่จิตมันหลับได้การที่เอาจิตเนี่ยไปรู้กายนึงเนืองในอิรลียบท่างๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนทุกคนเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การใช้ชีวิต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 มันมีเรื่องของจิตด้วยมีเรื่องของจิตมีเรื่องของความคิดอ๋อเดมันก็คิดดีเดมันก็คิดไม่ดีในสิ่งสิ่งเดียวเก่าที่เราเห็นเนะี่ยในคนคนเดียวกันที่เราเห็นเนะ่ยบางทีเราก็ว่าเขาดีเแล้วเปลี่ยนเป็นไม่ดีซะและ้วในช่วงระยะเวลานนหนึ่งวันเนี่ยเรารเรามองคนเนี่ยเดี๋ยวถูกใจเดียวไม <ใจ S 2> <ก>่ <c oughs> ถูกใจว่ากันไปสลับกันมาครับเนี่ยความคิดนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ว่าเรามีความสุข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 เพียงแค่เรารู้กายอย่างเดียวนะแล้วก็เห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตเห็นทั้งธรรมะในส่วนเดียวกันเลยพอมาจากกายไม่ออย่าง ก, กับเราอะไรเราดูนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเราก็จะไม่ใช่เห็นเฉพาะนาฬิกาหรอกเราเห็นเขียนนาฬิกาเห็นเลขเห็นยี่ห้อเห็นประเทศผู้ผลิตรวมเป็นหนึ่งเดียวได้เพียงแค่เห็นในสิ่งสิ่งเดียวนะั้นเพราะนั้น